ท่นนานฟังที่ครบค่ะยามเช้าถ้าใครฟังตั้งแต่วันแรกของสตัตตนี้ท่านพุทูลบอกว่าคนตื่นเช้าเนี่ยจะมีโอกาสบรรลุธรรมพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้นะคะว่าไม่เคยเห็นคนที่ใช้คำว่าอะไรไต้องไปถามท่านอีกครั้งหนึ่งนะค ะ, ะบรรลุธรรมเนี่ยตื่นสายแต่เป็นพุทธวชนะถึงจะฟังแล้วไพเราะ ศักดิ์สิทธิ์เรามาฟังกับท่านในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะคะเพราะว่ามันตรงกับตัวท่านพอดีใช่ไหมคะวันนี้ท่านตื่นเช้านมสักการะท่านพิบูรณ์คะ่ะเชิญฟังพระพุทธ <ตก S 1> าพูดถึงเรื่องตรงนี้บอกว่าคนที่ตื่นเช้าเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินคนที่ตื่นหลังพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเนี่ยจะทํามรรคผลนิพพานให้แจ้งได้เนี่ยไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินค่ะเพราะฉะนั้นคนอันนี้จึงเป็น ตั ก, กะที่ทําให้อัตมาตสรุปว่าเพราะฉะนั้นคนที่ตื่นเช้าเนี่ยคุณมีสิทธิ์นะที่จะทํารรผลที่ผ่านให้แจ้งได้ค่ะในลักษณะนี้แล้วก็เปรียบเทียบกับคนที่บริหารงานบ้านเมืองเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทก็ตาม<ส>เป็นผู้ใหญ่บ้าน<ส>เป็นราชาอํามาธมากษัตริย์เนี่ยคุณตื่นสายเนี่ยจะบริหารบ้านเมืองให้ให้เรียบร้อยรบาบค่าแบบสบายเนี่ยมันมันไม่ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินค่ะแล้วมันจะมีไหมคะคน อ๋อถ้าอย่างนั้นดิฉันถามต่อไม่ได้เลยใชครับไม่มีข้อยกเว้นเลยใช่ไหมครับว่าก็ภูริจ่ า, าเป็นตื<า>น่นสายแต่ขยันอย่างนี้ค่ะก็อาจจะมาคิดว่าจึงเป็นข้อสังเกตว่าในช่วงเวลายามสุดท้ายขอยงราตรีเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ที่ดีหรือว่าช่วงเวลาที่เรามีกิจกรรมอะไรที่สามารถทําให้ใจเราสบายได้อนะค่ะแต่<ม>สรุปแล้วอย่าไปเถียงเลยนะคะเพราะว่านั่นเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสดาของเราที่อยู่มาถึงวันเนี้ย จะมีคําพูดของใครที่เป็นลาล่วงมาตั้งสองพันห้าร้อยปีกว่าแล้วก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ใช่ไหมคะอันนี้เป็นความสามารถของสัมมาสัมพุทธะเท่านั้นเองอันที่สามารถทําได้อย่างนี้อย่างในรายการเนี่ยบางทีอาจรมาก็พูดผิดนะเรามาฟังย้อนหลังดูเนี่ยเราพบว่าเออตรงนี้เราก็พูดผิดต้องมาแก้อะไรอย่างเงี้ยแต่พระเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นไงอออันนี้ท่านก็เปิดช่องให้คนบางคนแก้ตัวได้ในขณะนี้ยใช่แล้วก็ถ้าเราพูดผิดเนี่ยเราต้องรีบแก้เลย ค่ะคือคนเป็นคนเป็นบุคคลสาธารณะค่ะก็จะต้องคอยถูกจับผิดตลอดใช่ไหคไมคะบางคนก็บอกว่าเมื่อวันที่เทนนั้นเวลาเท่าน uh> uh ี uh uh uh uh uh uh ้ท่านได้พูดเอาไว้ในเรื่องนี้อย่างนั้นแต่วันนี้ท่านมาพูดเอาไว้อย่างนี้ใช่ใช่ถ้าดิฉันเป็นคนนั้นดิฉันตอบได้ไหมคะดิฉันม่ใช่พระศาสดาพูดอย่างนี้ผิดศีลผิดธรรมอะไรหรือเปล่าพนัก็ก็เราก็คงต้องสามารถพูดได้นะแต่ทำไมคิดว่าเออก็ได้เหมือนกันถ้าเราผิดเราก็ขออภัยแล้วก็แก้ไขให้ถูกแค่นั้นเองคือเหมือนกับว่าเจตนาเราก็ไม่ได้ไป เสีสีนั่นเนี่ยเราพูดตรงๆว่าเรามีความรู้ว่าพระาศาสดาเท่านั้นที่พูดแล้วไม่เคยขัดแยง้งคือคือเรื่องนี้อย่างในวงการสงฆ์เองนะอย่างสมมุติภิกษุที่อยู่ในอาวาสเดียวกันอย่างเนี้ยถ้าเราทําอะไรผิดพลาดเนี่ยเราจะต้องออกตัวไว้ก่อนว่าให้ท่านทั้งหลายเนี่ยมามาว่าเราได้มาโจทย์เราได้ในอย่างหลวงพ่อด็อกตรสะอาดเนี่ยท่านออกตัวกับลูกศิษย์ไว้เลยว่าเออถ้าท่านทําอะไรผิดนะหรือว่าท่านทําอะไรที่ไม่เหมาะสมเนี่ยให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยบอกท่านได้ เ ร, <ะ>เราก็ไปขอโอกาสเราเรียนให้ท่านทราบว่าอันนี้เป็น ง, งี้ๆนะหลวงพ่อเห็นว่ายัางไงถ้าหลวงพ่อเห็นว่าหลวงพ่อผิดหลวงพ่อท่านก็จะพูดเองนะว่าเอองั้นเราเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้ดีกว่าไหมเราก็จะประชุมปรึกษากันอย่างนี้อืมค่ะเนี่ย น, น, น, นะคะเห็นไหมขนาดหลวงพ่อด็ตอร์สะอาดนี่ท่านถือว่าเป็นถ้าพูดเปรียบเทียบในสถานศึกษาก็ต้องบอกว่าท่านเป็นอาจารย์ใหญ่นะคะอ่าใช่ใ่ถ้าเปรียบในอ่าที่ที่เป็นที่แห่งการปกครองถ้าเป็น อำเภอท่านก็เป็นนอำเภอถ้าเป็นจังหวัดท่านก็เป็นผู้ว่าแหะค่ะใช่ท่านอยู่ที่วัดท่านเป็นเจ้าวาดนะคะทีนี้ท่านอาจารย์คะเดี๋ยวดิฉันจะขออนุญาตไปที่คําถามเลยนะคะ ไ, ไอาจสืบเนื่องจากการที่ในรายการนี้เคยพูดถึงการอวยพรเจ้า <c oughs> บ่าวเจ้าสาวว่าเอาธรรมะของพระศ า, าสดาไปอวยพรอย่างไรผู้ที่ถามคําถามมาเนี่ยชื่อคุณอินอินอะไรนะคะอินอินธรมอินงงอินงงเหรอคะอืมอ๋อดิฉันไปอ่านในอ e ีเมลของท่านในอินอินธรม แต่ชื่อท่านเขียนว่าอินงงดิฉันก็งงเหมือนกันนะคะไม่ค่อยเคยได้ยินชื่อนี้ขออภัยนะคะด้วยความเคารพค่ะทีนี้ถามาว่าการอวยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวในงานแต่งงานว่าให้พระคุ้มครองเป็นคนดีรักษาศีลห้า ม, มีผู้วิจารณ์ว่าเป็นการพูดไม่ถูกกาละเทศะแนะนำด้วยคุณยมติวมีความเห็นว่าไงในเรื่องนี้ อดี๋ยฉันก็ไม่เห็นผิดเลยนะคะอตมาก็ไม่เห็นว่ามันจะผิดอะไรแต่ว่าคนที่เขาไม่เห็นด้วยมันก็มีใครไม่เห็นด้วยอะไรทั้งนั้นแหะค่ะมีผู้วิจารณ์ว่าเป็นการพูดไม่ถูกกาลเทศะนี่ดิฉันโดนเต็มๆเลยนะคะเนี่ยอคือเหมือนกับว่าเวลาไปงานไหนก็แล้วแต่หลังจากที่เรารู้จากธรรมะเนี่ยคะ่ะอฮะสูงสุดแล้วก็คือพระดิฉันว่าในที่นี้ยทุกคนหมายถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อา่าลัักกษณะนน้้น็ได<น>อืมนะคะ แล้วก็คือ ก, การที่เป็นคนมีศีลถ้าไม่มีศีลในครอบครัวไปไม่รอดนะ oh. ถ้าคุณไม่มีศีลศีลไม่เสมอกันทิฐิไม่เสมอกันมันไม่ทันมอกข้าวดาหรอกมันต้องเลิกกันเพราะฉะนั้นพูดอย่างนี้ถูกต้องแล้วอาจมาเห็นด้วยนี่มันจะมีนิทานเรื่องหนึ่งเล่าให้ฟังแต่ น, นี้ไม่ใช่พุทธวจนะนะอันนี้ต้องต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่พุทธวจนะแต่เป็นเรื่องราวที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่นิดหนึ่ง <Okay. S 1> ก็คือมีชายสองคนก็เป็นเพื่อนกันมา ชื่อนายขาวกับนายดํานั้นนายขาวเนี่ยก็เป็นคนที่มีความดีเป็นศีลธรรมเป็นคนดีมีศีลธรรมส่วนนายดำเนี่ยถึงแม้จะเป็นเพื่อนกับนายขาวก็ตามแต่ว่าเป็นคนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผิดศีลบ้างผิดลูกเมียบ้างอะไรบ้างแต่รู้จักกันสนิทกันักษณะนี้และประกอบว่านายขาวเนี่ยเขาก็กับนายดําพอสิ้นอายุไขก็ตายไปใช่ไหมนายขาวเนี่ยก็ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเทวดานายขาวนายขาวก็มีความเป็นอยู่ที่เป็นสุขอย่างความเป็นเทวดาของเขาความเป็นเทวดาก็มีความสุขอย่างเช่นอาหารเป็นทิพย์ นะมีความรู้พิเศษเดินไปไหนก็เหาะไปลักษณะนีนะ้ไม่ต้องนึกอะไรก็เวลาจะกินอะไรก็นึกเอานะไม่ต้องเดินไปซื้อนะไม่ต้องย่อยด้วยรสชาติก็รสชาติอยู่ในปากนะเป็นรสชิปอิ่มก็อิ่มทิปไม่ต้องมาถ่ายท้องด้วยนะนี่คือความเป็นเทวดาทีนี้ว่ามีอยู่มาวันหนึ่งนายขาวเทวดาเนี่ยน ะ, ะก็ระลึกถึงเพื่อนนายดำเอ้เพื่อนเราไปไหนหมดอายุไขแล้วไปไหนด้วยความสามารถของเทวดาก็ทําให้ในายขาวเนี่ยไป ทราบว่าเฮ้ยนายดําเนี่ยไปเกิดเป็นหนอนอยู่ในฐานส้วมของพระ<ม>คือฐานส้วมของพระคือเวลาถ่ายอุจจาระใช่ไหมมันก็ะจะลงไปในห ล, ลุมซีเมนที่เรากอ่อขึ้นมาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยถ้าใครเปิดดูนะโอ้โหอาตมาจะบอกให้มันยุบยับยุบยับไปหมดเลยนะนอนมันอยู่ในนั้นเต็มไปหมดปรากฏว่านายดำเนี่ยก็ไปเกิดเป็นหนอนอยู่ในฐานส้วมของพระนด้วยความระลึกถึงเพื่อนเทวดาในขาวก็เลยไปปรากฏตัวอยู่ที่นั่นแล้วก็ ด้วยฤทธิ์ของเทวดานะทำให้ในายดำเนี่ยระลึกได้ว่าฉันเป็นนายขาวพอหนอนนายดำเนี่ยเห็นนายขาวแล้วก็ระลึกได้ว่าเอา้านี่เพื่อนเรานี่น า, าก็เลยถามสารทุกสุขดิบกันนะก็ เ, เพื่อนเป็นยังไงปรากฏว่านายขาวซึ่งเป็นเทวดาเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่านี่จะกินอะไรนะฉันก็ในฤทธิ์เอานะึกเอานะไปไหนฉันก็เหาะไปแหมมีความสุขอย่างเทวดามากเลยปรากฏว่านอนนายดำทำยังไง ร, รู้ไหมคุณยมติวเ ข, า, ขาร้องไห้อย่างเป็นวักเป็นเวรเลยเสียะใจมาก ว่าเพื่อนฉันทำไมลาบากอย่างนี้ <c oughs> กินเนี่ยยังต้องนึกเอาด้วยหรอโถเราดูซิสบายมากเลยถึงเวลาเดี๋ยวพระก็อ่ า, อานมาส่งให้คืออุบุ๋งลงมา <c oughs> เราไม่ต้องไปไหนเลยนี่พ่อแม่พี่น้องญาติก็อยู่นี่หมดอยู่ในฐานส้วงพระยุบยุบยุบเต็มไปหมดเนี่ยมีความสบายมากเลยเพื่อน <c oughs> มาอยู่ด้วยกวันดีกว่า น, น, <c oughs> นอนในดาพูดอย่างนี้นะชวนนเทวดาในขาวมาอยู่ด้วย นายขาวก็พยายามจะอธิบายให้ฟังว่าเทวดาสวรรค์มันเป็นอย่างนี้นะมันมีความสุขอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะปรากฏว่านนท์ น, น, นดําก็ไม่เข้าใจเอา้าจะชวนไปดูนะเทวดานายขาวก็จะชวนไปดูนนท์ น, น, นดําถามคําเดียวว่าเอาแล้วบนสวรรค์นเนี่ยมีอุจจาระให้กินไหมนั้นะนายขาวซึ่งเป็นเทวดาก็บอกไม่มีมันจะไป ม, มีอะไรมันเป็นสวรรค์มันไม่มีอุจจาระนะพูดกันไม่เข้าใจในที่นั้นนะต่อให้ที่นั้นนะคุณโยมติว๋วเขาโหวตลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกัน นอนก็ชนะอยู่ดีเข้าใจไหมเทวดามารูปเดียวองค์เดียวโหวตไม่มีทางชนะเลย<ะ>แต่เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าโอ้ยคนส่วนใหญ่เขาว่ากันอย่างนี้จะถูกไหมล่ะเขาอาจจะเป็นหนอนก็ได้เราจึงต้องมีเขาเรียกว่ามาตรฐานในการวิเคราะห์ไงมาตรฐานในการที่จะพิจารณาซึ่งตรงนี้มาตรฐานของใครถูกต้องที่สุดก็ต้องพูดถึงพระพุทธเจ้า<ะ>ใช่ไหมเพราะนั้นถ้าพูดว่าเอ้ยคนนั้นเขาว่าไม่ดีคนนั้นคนนี้ก็ว่าไม่ดีคนส่วนใหญ่เขาว่าไม่ดี เราบอกไม่ได้เลยนะคนส่วนให ญ, ญ่อาจจะเป็นหนอนก็ได้นะแต่เราต้องใช้หลักของบุทุษเจ้าในเรื่องของศีลสมาธิปัญญามากมีองคแปดในการที่จะอวยพร ใ, ใครก็แล้วแต่ในการที่จะสื่อสารกับใครก็แล้วแต่คุณพูดเป็นสัมมาวาจาไหมนะแค่นั้นเองเราก็สบายแล้วนี่ถ้าเป็นนักศึกษาจะตาเทคนิคไปตอบข้อสอบท่านเพบูลบอกเลยนะคะให้มีศีลสมาธิปัญญากับมากมีองแปดตั้งไว้แล้วไปวิเคราะห์ที่ฉันตอบถูกไหมคะใช่ใช่ใช่มันางในการพิจารณาอะไรไม่ไม่มีทางหนีไปจากหลักนี้เลย นะค ะ, ะเป็นถ้คุณอินตอนนี้ก็หายงงได้ลแล้วล่ะค่ะว่าอย่าว่าแต่คุณอินงงเลยค่ะตอนแรกติ๋วก็งงเหมือนกันค่ะอวันนี้ไม่ง ง, งแล้วนะคะแล้วที น, นี้ว่าคนที่คนที่เขาถูกวิจาร์เนี่ยมันมีทุกคนแหละคุณโยมติว๋ว พ, พระพุทเจ้าเราดีเลิศหรูอลังการขนาดไหนก็ยังมีคนมาด่าใช่ค่ะอด่าดชนิดเสียเสียห้หายด้วยนะด่าด้วยข้อความที่ไม่เป็นจริงอย่างนางจินจามารวิการเป็นต้นอย่างเทวทัตเป็นต้นแล้วก็มาใส่ร้าย พระเจ้ายังเคยพูดว่าคนที่นั่งอยู่เฉยๆยังถูกนินทาเลยแล้วเป็นนับภาษาอะไรก็เราพยายามทําความดีนัก ค, คนที่เป็นมานคนที่เป็นหนอนยังไงมันก็จะพูดอะ่ะมีปากเขาก็พูดไปอดังนั้นเนี่ยที่เขาคือจริงๆท่านไบบูลจะพูดแต่คำใหญ่คือคําพระพุทธเจ้าแต่ดิฉันเนี่ยก็จกํากรอนไม่แน่ใจว่าใครแต่งนะคะ <c oughs> อที่บอกว่าอะไรนะคะอานินทากาเลเหมือนเทน้ำํำ ไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหินมแม้องค์พระปฏิมายังราคินคนเดินดินหรือจะพ้นคนนินทาเป็นเรื่องธรรมดานินทาสรรเสริญมาด้วยกันแตนะ่ถ้าเราถูกยกย่องสรรเสริญบางคนก็จะไปติดตรงนั้นพอถูกนินทาแล้วโอ้เป็นทุกข์อย่างมากแล้วนะใครล่ะคะที่เราควรจะสนใจคำวิจารณ์มากที่สุดก็เป็นคำขนาบของบัณฑิต ถ้าบัณฑิตมาคอยชีย้โทษเราคอยกล่าวคำขนาบอยู่ร่ำไปนั่นแหละให้นึกไว้เลยว่าเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์ควรครบกับบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้ น, นจะดีมากไม่มีทางเลวเลยบัณฑิตในความหมายของพระศาดาก็คืาจะเป็นคนแบบใดคะเป็นคนที่มีกิเลสน้อยนะมีราคะโทสะโมหะน้อยหรือกับไม่มีเลยลก็จะแปลผันพูดกันเป็นภาษาชาวบ้านก็คือมีสีนสมาธิปัญญามาก ถ้ามีศีลสมาธิปัญญามากราคาโทสะมัวก็จะน้อยคนรประเภทเนี้เราต้องคบหากับเขาไว้ถ้าเขาดา่าต้องยิ่งเข้าหาถ้าเขาว่าต้องยิ่งเข้าหาเพราะเขาการว่าของเขาการด่าว่าเขายิ่งเป็นการชี้ขุมซับให้เราปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นนะคะก็ต้องแยกแยะให้ถูกด้วยว่าใครเป็นคนที่เราจะต้องอดทนเพราะท่านกําลังชี้ทางให้ใช่ท่านคะแล้วสําหรับคนไม่ใช่เป็นบัณฑิตเรามาว่าเรา เรายัางไงดีคะชกเลยเขาเรียกว่าถูกเพ่งโทษคือคนพาณเนี่ยมันจะคอยเพ่งโทษเอาเพ่งโทษกับชี้โทษไปเหมือนกันน ะ, ะชีโทษเนี่ยคือเขาจะคอยหาข้อที่จะทําให้เราดีขึ้นได้นะแต่เพ่งโทษเนี่ยคือถึงแม้เราจะทําดีปานไหนเนี่ยก็ยังถูกด่าอยู่ดีอันนี้คือการเพ่งโทษมักจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นคนพาณคนพาณเนี่ยจะเพ่งโทษคนอื่นแต่เพราะนั้นถ้าเราเจอคนพาณแล้วเขามาด่าเราให้เราทํำยังไงอดทนไว้คุณยมติวอดทนไม่เบียดเบียนมีเมตตาจิตรักให้เอ็นดู เนื้อมันย่ากับพระอินท์ที่อดทนต่อวาจาหยาบคายไร้กาศของเท้าเวปจิตนะพระอินก็สบายอยู่ได้ไม่มีปัญหากับใครก็เหมือนในลักษณะของคุณอินงงแหละถูกเขามาวิจารณ์ว่าพูดไม่ถูกกาละเราจะไปแคร์อะไรก็ได้เมื่อไม่รู้คนที่พูดเนี่ยเขามีความรู้ระดับไหนก็อาจจะเป็นคนพานก็ได้เราทําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเขาก็มาเพ่งโทษในแทนที่จะมาชี้โทษเหมือนบัณฑิตแต่ก็มาเพ่งโทษเราอย่างเงี้ยนะอืมก็คงจะต้องกลับมาในที่เดิมที่ท่านเพบุตมักพูดอยู่เสมอนั่นเองหรือเปล่าคะ ว่าหากเราจะเป็นผู้ที่กระทำอะไรหรือว่าในกรณีแบบนี้จะไปกล่าวที่ใดก็ให้ยึดหลักศีลสมาธิปัญญามากมีองค์8ใช่ใช่งงั้นนะคะแล้วสำหรับคู่บ่าวสาวคือไม่ใช่เฉพาะคู่บ่าวสาวหรือ ง, งานใดๆก็แล้วแต่นะยิ่ง <c oughs> ถ้าเราเอาพุทธวจนะไปพูดนะแหาามแต่มาคิดว่าจะยิ่งขลังมากกว่าขลังคือศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นนะนะ อย่างเช่นคำว่าคําให้พระคุ้มครองเป็นคนดีรักษาศีลห้ายัางเป็นคําของเราซึ่งเป็นในแนวทางของศีลสมาธิปัญญานี้ก็ดีระดับหนึ่งถ้าเราเอาพุทธวจนะไปพูดเลยน ะ, ะเมีอาจจะมีคู่มืออะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งหนังสือที่คุณยมติ๋วแจกอยู่ทุกๆวันเนี่ยอาจจ ะ, ะเปิดสักบทหนึ่งที่ว่าเป็นบทที่ดีๆเอาไปอวยพรในงานนี่ก็จะเป็นการที่ดีมากท่านไปบุญคถ้าเช่นนั้นเนี่ยพูดถึงวันจันหน้าออื ก็คงจะรบกวนท่านดีไหมคะจะปีใหม่แล้วค่ะก็ต้องการพุทธวัจนะดีๆสักวันละบทสั้นๆอืเพื่อที่ให้ท่านทั้งหลายสมมุติยังไม่มีหนังสือเนี่ยก็จะได้จดทันเดี๋ยวไปเขียนซอกส อ, กสอปีนี้มาใหม่เขียนพุทธวัจนะอย่างเงี้ยค่ะได้ได้นะคะได้เราคิดว่าเราก็จะทํากันทั้งเดือนนั่นแหละในเดือนที่เป็นการวอวยพรปีใหม่แล้วก็จะได้ให้ท่านผู้ฟังได้รู้สึกถึงพุทธวจนะที่เป็นเรื่องราวเหล่านี้ด้วย ค่ะท่านพิบูลคะดิฉันว่าถ้าสมมติจะเตรียมวันปีใหม่แล้วจะมาเป็นระลอกเลยนะคะมีเทศกาลแห่งความรักเนี่ยดิฉันว่าแทนที่จะเป็นเซนต์วาเลนไทน์ก็เป็นหลอดบุตต้าบ้างที่เราจะบูชาวันแห่งความรักเราอาจจะให้ท่านพิบูลช่วยได้ค้นพุทวีจนะที่เหมาะดีไหมคะเอามาใช้เป็นโอกาสที่เหมาะสม<ด>ก็จะได้เป็นการนำเอานิมิตอมตะนะคะไม่ใช่นิมิตใหม่ห เอามาเสนอแล้วก็ล้ําค่าด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะท่างคะนะคะก็น้อมสักการขอบพระคุณท่านพิบูลเป็นอย่างยิ่งนะคะญาติเรีนผ่านค่ะท่านฟังคะท่านเชื่อไหมคะว่ามีบางครอบครัวหรือยังใช้คําว่าครอบครัวหลังจากได้พบพุทธวจนะแล้วเนี่ยจนนํานนปรับการดําเนินชีวิตของตัวเองในทุกรายละเอียดเลยให้เป็นไปในแนวทางของพุทธวจนะดิฉันเนี่ยไม่ได้ พูดแบบฟังเขาเล่าว่านะคะคือได้เห็นได้สัมผัสจริงๆแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเป็นเรื่องที่ใครก็ทำได้อยู่เพียงแต่ว่าศรัทธาแล้วนำมาทำหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะชีวิตจะสวัสดีแน่นอนโดยพุทธวจนะก็ต่อเมื่อเรานำเอาไปใช้วันนี้เราก็คงจะบอกว่า022690006ส่งมาขอหนังสือพุทธวจนะกับพิลธรรม닷คอม /106 นะคะที่นี่ ส่งคำถามมาที่เบอร์เดิม น, นั้นก็ส่งคำถามได้เช่นเดียวกันนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้พุทธวันสวัสดีค่ะ